ตอนสายของวันรุ่งขึ้นนายเจริญไปทำงานที่บ้านตะแปะสงเป็นวันที่สองเขาหิ้วกระแตงเหล็กเดินไปยังหนองน้ำเพื่อหาหอยจัดการโกยดินโคลนมาใส่ก้นภาชนะดังที่วางแผนไว้ตั้งแต่วันวานเพียงครึ่งชั่วโมงเขาก็สามารถงมหอยได้เต็มกระแตงเพราะมีดินโคลนอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วแทนที่จะรีบกลับมาที่เล้าเป็ดเขากลับคิดว่า แปะจะสงสัยว่าทําไมมันถึงเร็วนะเราจะต้องถ่วงเวลาด้วยการหาปูหอยตัวนั้นเขามาถึงหอยโข่งตัวมะฮือมาที่ได้นำมาปล่อยเมื่อเย็นวานหลังจากสลักชื่อเจริญจรุนรัตไว้ที่เปลือกของมันแล้วเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่อาจหาปูหอยพบหนุ่มน้อยรู้สึกหงุดหงิดด้วยผิดหวังมันไปอยู่ไหนของมันนะ โชคคืนเดียวจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนเชียวหรือว่าคนอื่นมาจับเอาไปให้เป็ดกินซะละเขาเริ่มกังวลเพราะเชื่อในโชคลางเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วทั่วไปชื่อของเขาบนเปลือกหอยตัวนั้นหากมันตายย่อมหมายความว่าตัวเขาก็ต้องตายไปด้วยเหลวไหลนามันคงยังไม่ตายหรอกใครจะโง่ถึงขนาดไปฆ่าปูหอยยิ่งมีชีวคนอยู่ เขาก็ต้องถือเคล็ดเขาคิดงุนงานอยู่คนเดียวในที่สุดก็หิ้วกระแตงหอยกลับมาที่เล้าเป็ดกำลังจะเทออกมาทุกก็พอดีตะแปะทรงเดินเข้ามาสั่งว่าเทออกมาสิอว้วจาับนับว่ามีถึงพังตัวเปล่าหนุ่มน้อยตกใจมือจับหูกระแตงแน่นไม่ต้องรอกเดี๋ยวอว้วจะนับให้ จะบอกเสร็จเลยว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวเขาเรีบผาทางออกเฮ้ยอะไรจากขานากนั่งเลือดรู้ได้ยังไงว่าอังไหนตัวผู้อังไหนตัวเมยียรู้สิเชื่อโอ้เธอประดี๋ยวโอ้จัดการเองหรือไปขายของต่อเธอเฮินนาเทออกมาแล้วช่วยกังนับโอ้อยากรู้วิธีดูว่าตัวผู้เป็นยังไงตัวเมยีย เป่งยังไงแกจับปากกระแต่งทำท่าจะเทยาคนอายุส6ร้องเสียงหลงแล้วสมองอันเชียบไวก็คิดแผนขึ้นมาหลอกตะแปะถ้าเทออกประเดี๋ยวจะไม่รู้ต้องให้มันอยู่ในกระแต่งนี่แหละแล้วลืดจะลูดดะ่ด่ายังไงตะแปะส ง, ส, งสัยรู้สิเอาละของอย่างนี้มันต้องใช้พลังจิต ว่าต้องเข้าชานดูถึงจะรู้ทำอย่างไงตะแปะชักสนใจหนุ่มน้อยนึกถึงท่าที่ยายนั่งภาวนาจึงนั่งขัดสมาธิหลับตาแต่แทนที่มือทั้งสองจะวางบนตักกลับจับหูกระแต่งทั้งสองข้างไว้แน่นเป็นตายยังไงก็จะไม่ยอมให้ตะแปะเทหอยออกมาผู้ชายอายุห้าสิบเศษนั่งมองเด็กหนุ่ม ที่นั่งหลับตาพลางนึกในใจอาตีอีเป่งบ่าหรือเปล่าวะอวดจ่างให้มาทำงานอีกบมานังหลับตาครั้นเห็นหนุ่มน้อยนั่งนิ่งไม่ไหวติงก็ชักเกิดความเลื่อมใสคิดใหม่ว่าหรือว่าอีเป่งผูวิเศษถ่าย่างง้างแล้วกอจ่ารวยเอแต่ผู่วิเศษมั่งยังไม่รวยหนีว่วา ตะแปะเริ่มสับสนทางความคิดฝ่ายคนที่กำลังนั่งขัดสมาธิรู้สึกเมื่อยและเหน็บกินเท้าอยากขยับขยื่นกายหากเกรงคนที่นั่งดูจะไม่ศรัทธาต้องแสดงให้แกเห็นว่าเป็นเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงต้องท่องในใจว่าอดทนหนออดทนหนอครั้นอาการเหน็บชาไม่เบาคลายเขาก็หมดความอดทนคิดว่า เอาแล้ววะเขาขยับเปลี่ยนท่านั่งสักหน่อยเดี๋ยวนับสิบก่อนค่อยเปลี่ยนแล้วเขาก็เริ่มต้นนับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆพอถึงเก้าก็ด้ยินเสียงเรียกตะแปะเตียมีคนมาหารออยู่ที่หน้าร้านแนะ่เป็นเสียงอโมยเล็กลูกสาวคนสุดท้องของตะแปะไปบอกอีมาที่นี่ ตาแปะสั่งคนที่นั่งหลับตาอยู่จึงพูดทั้งที่หลับตาว่าไม่ได้ให้คนอื่นมาดูไม่ได้เดี๋ยวจะไม่คลังง้างปลายเลียวอ้วกมาตะแปะสงบอกแล้วจึงลุกออกไปหนุ่มน้อยลืมตาลุกขึ้นสลัดแข้งสลัดขาจัดการเทหอยออกจากกระแตงแล้วนำดินโครนออกไปทิ้งหลังเล้าเป็ดรีบทุบหอย แล้วโยนให้เป็ดกินไปสิบกว่าตัวที่เหลือเอาไว้หลอกตะแปะครั้นตะแปะกลับเข้ามาจึงรายงานว่ามีทั้งหมด775ร้ห้าตัวเป็นตัวเมียสามรอยเก้าสิบที่เหลือเป็นตัวผู้เขาไม่ได้บอกว่าตัวผู้กี่ตัวเพราะขี้เกียจคำนวณความจริงเขาไม่รู้และไม่ได้นับได้แต่พูดส่งๆไปอย่างนั้นเอง ทำหมายมังดูน้อยนะักยังกะสักขึืงกาแตงคนฉลาดเป็นกรฎว่าแม้ตะแปะหรือนี่เก่งจริงๆก็นี่มันไม่ถึงครึ่งกระแตงด้วยซ้ำเพราะมีแต่ตัวผู้ตัวเมียวัทุกให้เป็ดกินไปหมดแล้วอตีชี้แจงทำหมายมังเร็วนะักตะแปะไม่อยากจะเชื่อหรือหาว่าอ้วกโกหกเรื่องไงก็ทําท่าเคืองขุน อ้วอยังใหมายลายว่าแต่กำลังจ่าว่าอาดีบอกมาลิลีว่าเลือกโกหกอ้วชา่ายไหมอ้วไม่ได้โกหกถ้าโกหกขอให้อ้วถูกฟ้าผ่าเขาไม่ยอมใส่คำว่าตายลงไปด้วยเพราะไม่อยากเป็นอย่างยายมะเฟืองอ้วหมายชอบสาบังยอมรับมาต ร, ตรงตรงลีกว่าอ้วบอกว่าปล่าเปล่า หนุ่มน้อยอย่างเสียงแข็งหรือมีอาลายมายืนยังละ่ะทำไมจะต้องยืนยันในเมื่อเห็นเห็นกันอยู่เอาอย่างนี้ถ้าหรือไม่เชื่อ ก, ก็ให้ไปถามพวกเป็ดมันดูว่าโอ้เอาหอยตัวเมียให้มันกินหรื อ, อยังโอ้พูดภาษาเป็ดหมายเปงต่แป๊ะทรงว่าโอ้จะช่วยพูดให้เขารับอาสาไม่เอา ป้าลี้วลื่อก่อยหลอกอ้วอีกถ้า ง, งั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าลึกคิดว่าอ้วโกหกหรือกบหาท้องเป็ดออกมาดูเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมผพาดูให้หมดทั้งฝูงเลยแต่แปะทรงรีปฏิเสธว่าไม่เอาไม่เอาอาติวันนี้อ้วยอมแพ้ลือแต่วังหน้าอ้วจะมาให้ลืหลอกอีกพรุ่งนี้ลือต้องให้อ้วนับรูก่องอย่าเพิ่งทุกให้ม่างกิง ข่าวใจรับเปล่าตกลงตกลงหนุ่มน้อยรับคำถึงตะแปะไม่บอกเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างวันนี้อีกงมหอยให้เต็มกระแตงยังง่ายกว่าทั้งสบายใจกว่ามันนั่งเถียงกับตะแปะมันเหลี่ยมจัดจริงๆเขานึกค่อนว่าตะแปะหากคนที่เหลี่ยมจัดกว่าตะแปะเขากลับไม่ว่า ทุบหอยให้เป็ดกินเรียบร้อยเขาเดินไปรับค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างผุ้่งนี้ต่องรอให้อ้วกไปนับหอยกล่องนาชายวัยห้าสิบเศษย้ำขณะส่งเงินให้หนุ่มน้อยรับเงินแล้วหนุ่มเจริญจึงเดินกลับบ้านเพื่อกินข้าวเที่ยงคิดว่าอิ่มข้าวแล้วจะไปซ้อมทาปีพาธที่บ้านครูสมใจวันแต่งงานของพี่สาว เขาจะต้องแสดงฝีมืออีกครั้งและมั่นใจว่าจะได้รับเงินส่วนแบ่งที่บิดาให้ครูสมใจเป็นค่าจ้างถ้าใครมาว่าเราเข็มที่เอาเงินแม้กระทั่งงานพี่สาวตัวเองเราก็จะบอกว่าเราเอาเงินเพราะครูสมใจจ้างเราก็ในเมื่อครูสมใจยังคิดเงินจากพ่อเรานี่นะเขาเตรียมคําตอบไว้กล่าวแก้คําครหา ยายผมจะไปซ้อมปีพาดที่บ้านครูสมใจเขาบอกยายหลังจากอิ่มข้าวแล้วจะไปเล่นงานอะไรละ่ะงานศพหรืองานแต่งงานแต่งครับอ้อผมลืมบอกยายเมื่อวานผมไปหาแม่แม่บอกพี่จำเรียงจะแต่งงานวันขึ้น12บสองค่ำเดือนสี่จะให้พี่สอนเอากเกวียนมารับยายไปงาน สอนไหนล่ะยายชักลืมเลือนเพราะความชราผัวพี่จะรวยยังไงล่ะจะรวยไหนยายถามอีกโอโ้โหนี่ยายแก่มากแล้วนะเนี่ยขนาดหลานตัวเองก็ยังจําไม่ได้แล้วผมล่ะชื่ออะไรเนี่ยคนนี้เขาชี้ตัวเองเองชื่ออะไรล่ะคราวนี้ยายแกล้ง ชื่อจางครับคนเป็นหลานแกล้งบ้างชื่อเพราะดีจางแปลว่าสว่างไกรชื่อนี้แปลว่าชีวิตจะรุ่งโรดสว่างสวัยยายแกล้งชมชื่อของตัวเองแล้วถ้าชื่อเจริญล่ยยายแปละว่าอะไรหลานชายถามเจริญอะไรละ่ะ จเจริญขึ้นหรือจเจริญลงยายผมเบื่อพูดกับยายแล้วนะไม่เอาละ่ะผมไปบ้านครูสมใจดีกว่าหลานชายว่าแล้วจึงลงเรือนไปครูใหญ่ใหญ่เขาก็ถึงบ้านครูดนตรีชื่อดังของตำบลบางม่วงหมู่ทันทีที่เห็นหน้าเด็กหนุ่มนางส้มลิ้มก็ทักว่าพ่อจเจริญ ดีใจจังที่เองมาน้ำกำลังแห้งองค์อยู่พอดีลูกข้ามันขี้เกียจกันเหลือเกินใช้ให้ตักน้ำตั้งแต่วานมันก็ไม่ทำกันนางทำทีตำหนิลูกๆดีใจจนออกนอกหน้าที่จะมีคนตักน้ำให้ใช้ก็แม่มันยังขี้เกียจและลูกมันจะขยันได้อย่างง่ายหนุ่มน้อยคิดหากปากก็ถามว่ากระแต่งกับไม้คานอยู่ไหนล่ะนะ ได้ถุนมัง้งเองลองไปดูสิกว่าจะได้ลงมือซ้อมปีพาดหนุ่มเจริญก็อยู่ในสภาพเปียกปอนเหงื่อไหลคลย้อยเพราะต้องตักน้ำถึงสิบโองแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงเอาทีเดียวครูหวังว่าคราวนี้คงไม่เกิดเรื่องแบบที่บ้านกำนันแพ้วอีกหรอกนะครูสมใจว่าเรื่องอะไรครับเขาถามด้วยว่าวันนั้นมีเรื่องเกิดหลายเรื่องเหลือเกิน เรื่องผู้ใหญ่ชำนะสิ่านนี้แกหายโกรธเธอหรื อ, อยังก็ไม่รู้ผมว่าแกคงไม่มาหรอกครับหนุ่มน้อยคาดการ์ไม่มาก็าดีจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบวันนั้นอีกครูสมใจสรุปแต่ถ้าเป็นคนอื่นละครับคือผมหมายถึงว่าถึงผู้ใหญ่ชำไม่มาแต่มีคนอื่นเป็นแบบเดียวกับแกครูจะให้ผมทํำยังไงครับเรื่องนี้เธอคิดเอาเอง แต่ครูว่านะเกิดเธอทาเหมือนกับวันนั้นพ่อแม่เธอโกรธตายเลยเพราะเธอกับทำให้คนอื่นมาด่าพ่อด่าแม่ในบ้านของตัวเองครับถ้าอย่างนั้นผมจะไม่ทำเองแต่อาจจะสั่งคนอื่นให้ทำแทนนุ่มน้อยเตรียมวางแผนล่วงหน้าแต่ทางที่ดีครูว่าอย่าทำดีกว่าอีกอย่างหนึง่งครูขี้เกียจหาไม้ปีพาดมาเพิ่มหรืออยู่คู่เดียวแล้วนะ ครูสอนดนตรีไทยพูดยิ้มยิ้มบ่ายคล้อยหนุ่มจเจริญจึงกลับบ้านเพื่อมาช่วยยายทำงานเมื่อผ่านแถวบ้านนางเหรียญเขาคิดจะแวะไปเยี่ยมลองไปดูสักหน่อยสิว่าแกยังอยู่หรือว่าตายไปแล้วเขาคิดขณะเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านแกเฮ้ย hey! ไอ้นุม่มนั่นเองจะไปไหนวะเสียงเรียกดังมาจากบ้านทางด้านซ้ายมือเมื่อเขาหันไปก็พบครูชินนั่งล้อ ม, มองกินเหล้ากับคนอื่นๆอยู่ใต้ทุนบ้านครูมาทำอะไรแถวนี้ครับเขาเดินเข้าไปหาและถามหากไม่ได้ยกมือไหวเพราะถ้าหากไหวครูชินก็จําต้องไหวพวกขี้เหล้าทุกคนเขาไม่ชอบคนกินเหล้า จึงทำไม่รู้ไม่ชี้อันที่จริงเขารู้จักคนเหล่านี้ทว่าไม่คุ้นเคยก็เองเห็นขาททำอะไรล่ะครูชิ้นพูดเสิงอ้อแแอแล้วจึงถามอีกว่าเองหลาดจะไปไหนผมจะไปบ้านป้าเหรียญครับอยู่ถัดไปอีกสองหลังหลังที่มีปลาเกลือตากอยู่นั่นแหละครับเขาชี้ไปที่บ้านหลังนั้นมีปลาใส่เกลือตากอยู่นอกชาน โดยแขวนไว้กับราวตักผ้าไอ้นุงเอ็งมาก็ดีแล้วช่วยไปเอาเต่ามาต้มให้พวกข้ากินแกล้มเหล้าหน่อยคนเป็นเจ้าของบ้านพูดขึ้นไม่ได้หรอกนะผมต้องรีบกลับบ้านเขาปฏิเสธจะรีบกลับไปทำไมล่ะบ้านมันไม่หนีเอ็งไปไหนหรอกนาครูชินพูดเสียงอ้อแแอเพราะกำลังเมา ข้าไม่ได้ใช้เองเ ป, ปล่าๆนะแต่มีค่าจ้างให้ด้วยเจ้าของบ้านพูดเท่าไรอ่าสิบสตางค์หนุ่มเจริญรู้สึกใจพองเพราะเขาจะมีเงินถึงหนึ่งบาทกระนั้นปากก็ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยายรู้เขาจะมีเรื่องยายไม่ชอบให้ค่าสัตว์ตัดชีวิตเขาแซงว่าถ้าข้าให้บาทนึงล่ะจะทำไหม ถ้าไม่เอาอีกก็รีบไปแสีให้พ้นพ้นม่งั้นจะต้องเจ็บตัวคนฟังดีใจนะักหากก็ต้องทำเป็นเฉยเฉยจะได้ไม่เสียเลี่ยมงั้นผมยอมบาปก็ได้เตาอยู่ไหนละ่ะเขาถามอยู่ในโอ่งบนเรือนเอ็งไปเอามาเอาหม้อลงมาด้วยเตาอยู่ข้างล่างโน่นไปก่อไฟต้มข้างๆก่อไผ่โน่นระวังอย่าให้ไฟไหม้ก่อไผ่ฆ่าละ่ะ เจ้าของบ้านสั่งการอย่าว่าอย่างงโน้อย่างนี้เลยช่วยจ่ายค่าจ้างผมมาก่อนเถอะจะได้อุ่นใจว่ามันคุ้มกับการทำบาปในครั้งนี้คนใจบุญอ้างแม้เอ็งนี่มันเค็มสมเป็นหลานใหญ่จางเลยนะทำไมนะพูดอย่างนั้นคนถามท่าทางเอาเรื่องอ้าวก็ย้ายเอ็งน่ะเขารู้กันทั้งตาบลว่าเค็มยังกับเกลือแถมยังขี้งก เจ้าของบ้านว่านะหนุ่มน้อยผู้เสียงตะคอกนะจะว่าผมยังไงก็ได้แต่ห้ามแต่ต้องย้ายของผมจำไว้นะคนอย่างผมถือคติดาแม่ดาพ่ อ, อยังพอครบแต่ดายายที่ขอรบครบไม่ได้ครั้งนี้ผมจะยกโทษให้แต่ครั้งต่อไปผมไม่ยอมหัวเด็ดตินขาดก็ไม่ยอมเอาเถอะเอาเถอะขยอมเอง ไปเอาเต่ามาต้มให้พวกขากลัมเหล่าได้แล้วเจ้าของบ้านบอกก็นาจ่ายเงินผมมาก่อนสิเขาทวงงินก็ตามขึ้นมาเงินอยู่บนเรือนพูดอย่างรำคาญแล้วลุกจากวงขึ้นไปบนบ้านหนุ่มเจริญเดินตามขึ้นไปด้วยได้เงินแล้วจึงจัดการนำเต่าที่ขังไว้ในโองใส่กระแตงหิ้วลงไปข้างล่างวางกระแตงเต่าไว้ แล้วขึ้นไปหยิบหม้อในครัวเลือกเอาใบที่ใหญ่ที่สุดเพราะเต่าที่จะต้มมีถึงเจ็ดตัวแต่ละตัวขนาดเท่าฝ่ามือเขาจัดการก่อไฟและตักน้ำใส่หม้อยกขึ้นตั้งบนเต่ารอกระทั่งน้ำเดือดจึงเทเต่าเจ็ดตัวในกระแตงลงไปเจ้าเต่าผู้เคราะห์ร้ายต่างพากันดิ้นตะกุกตะกักดิ้นจนหม้อแตกออกเป็นสองเสี่ยง น้ำไหลลงเตาทำให้ไฟดับเต่าเจ็ดตัวต่างตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดหลายตัวคลานไปที่กอไผ่หนุ่มอายุ16วิ่งตามเพื่อจะจับมาต้มหาภาพที่เห็นทำให้เขายืนนิ่งงนันเต่าตัวเล็กๆ เ, เหล่านั้นใช้ขาหน้าสองขาปาดน้ำที่ไหลพรากๆออกมาเขานึกถึงคำเปรียบเทียบที่ว่า ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าไม่น่าเชื่อว่าเต่าก็ร้องไห้เป็นหนุ่มน้อยจึงเปลี่ยนใจไม่จับมันมาต้มใช่ว่าคาสงสารพวกเองหรอกนะแต่ไม่อยากเห็นพวกเองร้องไห้มันทุเรศในตาเขาพูดกับเต่าเต่าเจ็ดตัวมองหน้าเขาอย่างอาฆาตและจึงพากันคลานหนีเข้ากอไผ่ไปนะหม้อแตก เตามันคลานหนีไปหมดแล้วเขากลับมารายงานผู้ว่าจ้างเอ็งไปทำยังไงมันถึงแตกล่ะครูชินถามผมเปล่าทำแต่เต่ามันสามาคีกันดิ้นดินสมน็แตกเลยถ้าอย่างนั้นเอ็งก็ต้องคืนเงินให้ตาช่วงเข้าไปคนหนึ่งในวงเล่าพูดรู้สึกผิดหวังที่ช่วดอาหารอันโอชะเอาเงินค่าคืนมา ในช่วงผู้เสิ่งตะคอกเรื่องอะไรจะคืนก็ไม่ใช่ความผิดของผมถ้าเตามันไม่ดิน้นหม้อ ก, ก็ไม่แตกหนุ่มเจริญเถียงเอาเงินคืนมาเจ้าของบา้านพูดเสียงดังกว่าเดิมเมินซชาตินึงเขาพูดเสียงปกติครูชิ้นจึงต้องตัดสินว่างั้นเองก็ไปเอาปลาเกลือบานป่าเองมาปิ่งให้กินแทนเตาก็แล้วกัน หนุ่มเจริญเห็นด้วยกับความคิดของคนเป็นครูจรึงว่าครับผมจะไปเดี๋วนี้ครูต่อมาบรรดาคอทองแดงก็ได้กินปลาเกลือปิ้งแกล้มเหล้าแทนเนื้อเต่าหนุ่มน้อยกำลังจะกลับบ้านก็พอดีนางเหรียญเดินโซซัดโซเซกเข้ามาแกชี้หน้าด่าหลานชายเสียงดังลั่นไอ้หลานเวรเรื่องอะไรมาขโมยปลากูไปให้คนอื่นกิน ไอ้พวกนี้มันเป็นพ่อมือหรือไงถึงเอามาให้มันเกินพูดให้ดีๆนะนังเรียนกูไม่ได้กินของมันเปล่าๆนะเว้ยนี่กูซื้อมันตั้งบาทหนึ่งในช่วงว่าผมไม่ได้ขโมยนะป้าผมตั้งใจจะขอแต่เห็นป้ากำลังหลับเลยไม่อยากกวนหลานชายแก้ตัวน้ำขุนๆอย่ามาตอแหลวิ่งลงเรือนเห็นหลังวัยๆกูจึงวิ่งตามมาจนหกล้ม กว่าจะลุกได้ตั้งนานเกไม่ได้บอกว่าที่ล้มเพราะความเมาใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่ายาเอะอาไปเลยนะแม่เรียนมาร่วมวงกันดีกว่ามาสิเฮ้ยช่วยริ้นเล่าให้แม่เรียนเขาจอกหนึ่งในช่วงทําตามนางเรียนจึงเข้ามานั่งร่วมวงพูดเสียงอ้อมแอมว่าอย่างนี้มันคอยพูดกันรู้เรื่องหน่อยหนุม่มน้อยเห็นเหตุหการณ์เป็นปกติแล้วจึงขอตัวกลับบ้าน